เตโชธาต์เตโชธาต์เป็นอย่างไรคือเตโชธาต์ภายในก็มีเตโชธาต์ภายนอกก็มีเตโชธาต์ที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทําร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทําร่างกายให้สุดโซม ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทําร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรืออุปาทิน ก, กะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาตภาย์ในเตโชธาตภายในและเตโชธาตภายนอกนี้ก็เป็นเตโชธาตนั่นเอง บัณฑิตพึงเห็นเตโชาธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราบัณฑิตครั้นเห็นเตโชาธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในเตโชาธาตุและทําจิตให้คลายกําหนัดจากเตโชาธาตุเวลาที่เตโชาธาตุภายนอกกํำเริบย่อมจะมีได้ เตโชธาตภายนอกนั้นย่อมไม้บ้านบ้างนิคมบ้างนคร บ, บ้างชนบทบ้างบางส่วนของชนบทบ้างเตโชธาตภายนอกนั้นลามมาถึงหญ้าสดหนทางภูเขาน้าหรือภูมิภาคที่น่ารื่นรมแล้วเมื่อไม่มีเชื้อย่อมดับไปเองเวลาที่ชนทั้งหลายสแสวงหาไฟด้วยขนไก่บ้างด้วยการขูดหนังบ้างย่อมจะมีได้ เตโชธาตภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉะไหนกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตันหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จากไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในเตโชาธาตภายนอกนี้และถึงเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่า ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้ววายโยธาวายโยธาตเป็นอย่างไรคือวายโยธาภายในก็มีวายโยธาภายนอกก็มีวายโยธาภายในเป็นอย่างไร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 ย่อมเบื่อในายในวายโยธาตและทําจิตให้ใคลายกำหนัดจากวายโยธาตเวลาที่วายโยธาตภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้วายโยธาตภายนอกนั้นย่อมพัดพาบ้านไปบ้างนิคมไปบ้างนครไปบ้างชนบทไปบ้างบางส่วนของชนบทไปบ้างเวลาที่ชนทั้งหลายสแสวงหาลมด้วยพัดใบตานบ้างด้วยพัดสาหรับพัดไฟบ้าง ในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนแม้ในที่ชายคายญ้าทั้งหลายก็ไม่ไหวย่อมจะมีได้วายโยธาภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาชะไหนากายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยนี้ที่ถูกตั้นหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่ จะไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในวายโยธาตภายนอกนี้หากชนเหล่าอื่นจะด่าบริพาศเกลียกราดเบียดเบียนภิกษุนั้นภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ทุกเวทนานั้น an อาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ทุกเวทนานี้อาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้นได้ภิกษุนั้นย่อมเห็นว่าผัสสะเป็นของไม่เที่ยงเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยง จิตของภิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสดำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือธาตุนั่นแหละผู้ทำตามพระโอวาทหากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างการทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยศัตราบ้างภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้มีสภาพเป็นที่รองรับการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างการทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยศัตราบ้างอันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเลื่อยว่าภิกษุทั้งหลายหาพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีจิตคิดค้ายแม้ในพวกโจร น, นั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นอนหนึ่งความเพียรที่เราปรารบแล้วจะไม่ย่อหย่อน สติที่เราตั้งไว้แล้วจกไม่หลงลืมกายที่เราทำให้สงบแล้วจกไม่กระวนกระวายจิตที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่คราวนี้ต่อให้มีการทำร้ายด้วยฝ่ามือการทำร้ายด้วยก้อนดินการทำร้ายด้วยท่อนไม้หรือการทำร้ายด้วยศัตราที่กายนี้ก็าตามเราก็จะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้จงได้ เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยคุศสธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นย่อมสลดหดหูใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราหนอลาบไม่มีแก่เราหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า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 ติดจะสมุ ป, ปันธธรรมท่านผู้มีอายุทั้งหลายอากาศอาศัยไม้เถาวัลย์หญ้าและดินเหนียวมาประกอบเข้ากันจึงนับว่าเรือนแม้ฉันใดอากาศอาศัยกระดูกเอ็นเนื้อและหนังเมื่อประกอบเข้าด้วยกันจึงนับว่ารูปฉันนั้นหากจากักษุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลาย รูปที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่คลองจากสุทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจากสุและรูปนั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจากสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏหากจากสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองจากสุแต่ความใส่ใจอันเกิดจากจากสุและรูปนั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจากสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏ แต่เมื่อใดจักรสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองจักรสุทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจักรสุและรูปก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่นที่เกิดจากจักรสุและรูปนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้รูปแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในรูปปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป เวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในเวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนาสัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญาสังขารแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขารวิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าใน วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุมและหมวดหมู่แห่งอุปาทานขันห้าประการนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรม คู่นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุ ป, ปันธธรรมความพอใจความอาลัยความยินดีความหมก ม, มุ่นฝังใจในอุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทัยการกําจัดความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจการละความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจในอุปาทานขันห้าประการนี้ ชื่อว่าทุกขนิโรธด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วหากโซตะที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายละถึงหากคาณะที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายหากชิวหาที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายหากกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลาย หากมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายธรรมารมที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่คลองมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมนั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมนั้นก็ไม่ปรากฏหากมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทําลายธรรมารมที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองมโน แต่ความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมนั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมนั้นก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อใดมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายธรรมารมที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมนั้นก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้ รูปแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในรูปูปาทานคันเวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในเวทนูปาทานคันสัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสัญญวปาทานคันสังขารทั้งหลายแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสังขารูปาทานคันวิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในวิญญาณูปาทานคัน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 อุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุ ป, ปันธธรรมความพอใจความอาลายัยความยินดีหมกมุ่นฝังใจในอุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทยัยการกําจัดความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจการละความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจในอุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขานิโรธด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วท่านพระสารีบุตรเดิกกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลมหาหัตถปโทรประมะสูตรที่8ดจบ มหาสาโรประมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้สูตรใหญ่กิ่งและใบแห่งพรหมจันทร์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจขูดเขตข ร, รุงราชครึ่เมื่อพระเทวทัตจากไปแล้วไม่นานณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงปรารบพระเทวทัตได้รับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายกูลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชารามรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนตสและอุปายาครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้น ทำลาบสักระและความสันเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาบสักระและความสันเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่มีชื่อเสียงมีศักดิ์น้อยเพราะลาบสักระและความสรเสริญนั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาท เมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายผู้หุษผู้ต้องการแก่นไม้ที่เอี่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพีเปลือกและสะเก็ดไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนําไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้ กระพี้เปลือกสเก็ตกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้เปลือกและสะเก็จไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปอันหนึ่งกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทจาจกไม่สาเร็จประโยชน์แกเขาแม้ฉันใด กุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนตสอุบายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึง ม, มีได้ เขาบวชแล้วอย่างนั้นทําลาบสักระและความสรรเสริญนั้นให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสรนเสริญนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะลาบสักระและความสรนเสริญนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาบสักระและความสรรเสริญส่วนภิกษุอื่นานอกนี้ไม่มีชื่อเสียงมีสักน้อยเพราะลาบสักระและความสรนเสริญนั้น เขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอากิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์และถึงความพอใจด้วยกิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์ น, นั้น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 เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักระและความสันเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทาความสมบูรณ์แห่งศีลให้สาเร็จ เพราะความสมบูรณ์แห่งศีนนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีนนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกาลยานธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาป ร, รมเพราะความสมบูรณ์แห่งศีนนั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้เปลือกไปเข้าใจสเกตว่าแก่นไม้จึงถากนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสเกตกิ่งและใบแท้จริง ท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้และเปลือกไปเข้าใจสังเกตว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจะไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ฉันใดกลุ่มบทบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 เพราะลาบสักระและความสันเสรนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสรนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสันเสรนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงมีความปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวัง เพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาป ร, รมเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอาสเกตแห่งพรหมจรรย์ และถึงความพอใจด้วยสักเกตแห่งพรหมจรรย์ น, นั้นเปลือกแห่งพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายคุณละบทบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่า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 และมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสรินั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสันเสรินั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทําความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้น เขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทําความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สําเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์แน่วแน่ ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรพันธเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพีไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้ จึงถากนําไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสเก็ดจริงและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่เอื้อแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพี้ไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้จึงถากนําไป และกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทจาจกไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ฉันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก่ฉอันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้ว ทำอย่างไรการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทําลาบสักระและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกอย่างไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้น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 เมื <scratches> ่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สาเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์แน่วแน่ส่วนภิกษุนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรผันเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาท เมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอาเปลือกแห่งพรหมจรรย์และถึงความพอใจด้วยเปลือกแห่งพรหมจรรย์นั้นกระพีแห่งพรหมจรรย์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 เพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำญาณทัศนะให้สำเร็จเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นอยู่ ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นอยู่เพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวส่อแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้ไปเข้าใจกระพี้ว่าแก่นไม้จึงถากนําไป บุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพีเปลือกสเก็ดจิงและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไปเข้าใจกระพีว่าแก่นไม้จึงถากนาไป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 ผู้ยึดเอากระพีแห่งพรหมจรรย์และถึงความพอใจด้วยกระพีแห่งพรหมจรรย์นั้นแกนแห่งพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลาย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 เพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำอาสมยาวิโมกให้สำเร็จเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมจากอาสัมยาวิมุตินั้นภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่รู้แข่นไม้ว่า แก่นไม้จึงตัดนําไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่รู้แก่นไม้ว่าแก่นไม้จึงตัดนําไป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 เพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมธทมอาสัมยวิโมกให้สำเร็จเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมจากอาสัมยวิมุตินั้นภิกษุทั้งหลายดังพนานามาชนิพรมจรรย์ น, นี้จึงมิใช่มีลาบสักระและความสันเสริญเป็นอนิสงผลที่มุ่งหมาย มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นอนิสงมิใช่มีความสมบูรณ์แห่งสมาธิเป็นอนิสงมิใช่มียานัศสนะเป็นอนิสงแต่พรหมจรรย์นี้มีเจโตวีมุตอันไม่เขมรเลอเป็นเป้าหมายเป็นแก่นเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล มหาสารโรประมะสูตรที่9จบ